วันนี้เป็นวันของจิตตานุปัสสนาเมื่อวานเป็นเวทานานุปัสสนาแต่เราไปกับไปสวดอานาปะก็ถือว่าเป็นการทุกค์รมาของเดิมขอแล้วกันได <c oughs> ้ น, นบทว่าด้วยจิตตาจิตานุปัสสนาที่ต่อจากเมื่อวานเมืม่อวานเราจะทดสอบเวทานาระดับต่างๆเดินช้า รู้สึกเป็นยังไงเดินไวรู้สึกเป็นยังไงเดินหนักเป็นยังไงเดินเบาเป็นอย่างไรโดสอบตรวจสอ บ, สอบถึงเวทความกระเทือนของเวทนาทางกายก็หลายหลายท่านทําได้ถ้าทําได้มันจะเวทนามันจะเบาบางเพราะเวทนาเบาบางนั้นเป็นแฟกเตอร์หรือเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งของการเข้าถึงทําได้ไวเพราะในโพธิราชกุมารสูตรสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ย พระธิดาตกุมารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระราชบุตรของพระเจ้าอาพระเจ้าเปิดเส้นที่กูสุลหรือพระเจ้าอาภัยราชันนี้ไม่ไม่ชัดนะเข้าไปถามพระพุทธเจ้าหลังจากที่ไปลบทัพจับซึกอะไรมาผ่านมาทั้งนั้น <c oughs> แล้วก็แวะเห็นที่พระเชตวันคุณฟังทำกันเต็มก็เลยไว้เข้าไปดั้งทายบริษัท ฟังถามพุทธเจ้าแสดงไปก็ตอนท้ายเนี่ยตอนเลิกแล้วนะท่านเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าชีวิตของเครือข่าเนี่ยมันยุ่งยากวุ่นวายด้วยกิจการต่างๆดูเหมือนว่าพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยมันเหมาะสมกับ น, นักบวชผู้ไม่มีภารากิจอะไรมากมายเนี่ยใช่หรือไม่พุทธเจ้าตรัสว่าดูก็ ดูก่อนมหาบาพิษถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ธรรมของตถาคตธรรมของตถาคตนั่นจะต้องเอื่อไปต่อชนทุกโมเหล่าไม่ว่าคนนั้นจะยุ่งยากสับสนวุ่นวายคนนั้นจะมีภารกิจหรือเป็นนักบวชก็ตามได้ผลเท่าเทียมกันแต่ต้องมีเงื่อนไขห้ายอย่า ง, ห น, ง <c oughs> หนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาที่จะรู้เรื่องการออกจากทุกข์ที่เจ้าของมีทุกข์อยู่เนี่ยมีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมที่จะรู้เรื่องนี้ อันที่สองเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ลงมือพิสูจน์หรือทํำตามอย่างถูกต้องอันที่สามมีเวทนาเบาบางเนี่ยข้อนี้สำคัญซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรบางอย่างที่ท่านบรรจุเข้ามาในในตรงเนี้ยอันที่สามมีเวทนาเบาบางอันที่สี่เป็นคนซื่ อ, อไม่คด ไม่งอไม่ลดไม่เลี้ยวไม่มีเรื่องมากว่ะเด้อเป็นคนซื่อและตรงไ้ตรงมาอันที่ห้ามีสติส ม, มัยยะปกติที่สามารถจะพัฒนาขึ้นไปให้เห็นการเกิดดับได้ถ้าผู้ใดกระามถึงพร้อมด้วยเงื่อนไขห้าประการนั้นผู้นั้นอาจจะปฏิบัติเช้ารู้เย็นหรือปฏิบัติเย็นรู้เช้าก็ได้นไม่ว่าคนนั้นจะมีงานมากั้นน้อยเป็นครหัดเป็น บรรพชิตอะไรก็ตามถ้ามีเงื่อนไขห้าประการนี้ถือว่าปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราได้หมดแต่เงื่อนไขต้องกันเน้นในเงื่อนไขที่สามคือมีเวทนาบบาบางแต่ส่วนใหญ่ที่เราปฏิบัติกันเป็นไง <c oughs> เล่งเวทนาให้เร่าร้อนรุนแรงสู้กัน <c oughs> ทะลุเลยเมืองนอนอยยอยัน้อเงื่อแตกเงื่อไหลไขย้อยบีบคั้นรัดลึงตัวเองจนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า บอกว่าได้ความเพียรดีได้อารมณ์ดีมันสวนทางกันที่พุทธเจ้าตรัสแล้วเวทนาบาบางคือคือไม่ใช่เวทนาที่สุขหรือทุกข์นะแต่มันเบาวางอะ่ะถ้าเวทนาสุขเราก็จะําให้เพลินใช่ไหมแต่ไปติดสุขติดความสบายถ้าเวทนาหนักเราก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งรู้สึกมันซาใจรู้สึกมันอ่าตื่นเต้นรุนแรงดีนะไปเพลินทางนั้นอีกแต่เวทนาเบาบางตรงไหนเขาว่ามันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ แล้วปรับให้มันเบาบางพอทนได้ส บ, สบายๆไม่ถึงกระ บ, บีบคั้นได้เวทนาเบาบางซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเวลาเราเดินเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน <c oughs> มันหนักมันเกร็งมันเขร่งมันเครียดมันตึงตรงไหนแล้วก็ลองลงหาวิธีผ่อนมันลงพอเดินไปสักพักมันเริ่มตึงขึ้นหาวิธีผ่อนมันลงตึงขึ้นผ่อนมันลงแต่เราก็ไม่ไปเสพ ของความที่เวลามันผ่อนลงมัรู้สึกสบายเราก็ไม่รู้สิบแต่เห็นความเบาพร้อมของมันเห็นความนุ่มสวยของอากาศกิริยาทางกายและเห็นความที่จิตปกติจิตไม่สัดสายไม่ถูกบีบคั้นด้วยเวทนาทางกายให้ประคองลักษณะนี้เสมอเรียกว่าเวทนาเบาบางแต่บางเบาบางจนไม่ถึงกับว่าง่วงนะไม่ถึงกับเป็นการ สงบสุขจนกระทั่งว่ า, าไม่รู้ตัวไม่ใช่อย่างนั้นเบาบางแบบสบายๆท่างใช้ก็พอทนได้นะไม่ทุกข์เกินไปไม่สุขเกินไปถึ่เมื่อวานเราทดสอบดูหลายคนทำได้นะคือคือฝึกอะไรที่มันเบาๆด้วยเดินเบานั่งเบามือเบาตีนเบาลองลองดูอันนี้ต้องฝึกนะถ้ามัน ถ้าไม่ฝึกน้นมันเป็นไปได้ยากเพราะเราเนื่องจากเราหนักมานานคือเราตรง่ะตรงซ้ายตรงขวามานานนะแล้วตึงก็เคร่งจนเครียดถ้าย่อนก็ย่อนจนยานแต่ว่าพอดีเบาสบายเนี่ยเรามากักไม่เคยฝึกกันห้อยไปตรงมันง่ายกว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเลยแต่จะเลื่อนมาตรงกลางเนี่ยมันจะต้องฝึก <c oughs> อั น, นั้นเองในช่วงเช้าเนี่ย เมื่อวานเราฝึกเวทนาเบาบางวันนี้เรามาฝึกจิต ท, ที่เบาบางดูนะจิต ท, ที่เบาบางหมายถึงว่าความคิดที่ที่เบาสบายคือถ้าเราคิดปรุงแต่งมากเราจะรู้สึกว่าจิตของเรามันจะหนักเหมือนเราหยิบของหลายๆอย่างไปใส่ในตะกร้านี่จับอันนั้นใส่จับอันนี้ใส่จับอันนี้นใส่จับอันนี้นใส่เนี่ยมันก็จะหนักใช่ไหมหนักขึ้นเรื่อยๆยกขึ้นก็ลำบาก แต่ถ้าหากว่า จ, จิตเบาบาหมายความว่าอะไรเข้ามาเราหยิบออกอันนี้ที่มันมีอยู่แล้วก็หยิบออกอันนี้มีแล้วก็หยิบออกอ น, นี่มีแล้วก็หยิบออกเรื่อยๆเรารู้ว่าอะไรมันมีค้างอยู่ในใจเนี่ยจะเอาออกเป็นไหมตัวนี้คือบทฝึกวันนี้นะจะเอาอะไรออกเป็นไหมจนกระทั่งมันมันเหลือจิตอะไรจิตว่างอที่เราพูดถึงเรื่อยๆนะจิตว่างแล้วมันเบาสบาย แต่ถ้าหากว่าบนเอหยิบอะไรเข้าไปอีกก็ให้ <c oughs> ให้รู้ว่าเออมันเข้าไปแล้วนะแล้วก็พยายามที่จะหยิบออกถ้าเพอยปับ๊บมันเอาใส่เข้ามารู้ตัวปับ๊บเอาอาออกก็จะสวนทางกันอยู่อย่างนี้ตลอดพอเราเผลยิบอะไรถ้าเพอมากมันหยิบชิ้นใหญ่เลยใช่ไห ม, มถ้าเผอยน้อยๆ น, น่ะมันอาจจะหยิบชิ้นเบาๆ เ, เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็จะเบาหน่อยไม่นักถ้าเอหนักๆเข้ามันเอาชิ้นบลมเลย มันหน้าจะไปกลับไปนี่เจ้านี่ที่เขานัดกันวันนี้เขาจะมาทวงเงินทั้ง น, นี่เดียวนี้ยังไม่ได้จ่ายก็เลยแสนกว่าบาทนี่ทั้งบินรถบินบ้านบินอะไรต่างนี่เอาไงดีเราจะยืมตรงไหนคิดหักเราใช่ไหมชิ้นใหญ่เลยนะีะตกไปพูดเลยนะเอาไม่ออกเลยนะี่นะกระวนกระวายเลยอันนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนะี่ย เราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครัง้งมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยนี่เป็นป็นธรรมลุ่มนะมันรับเข้ามาเห็นนี่ก็ผ่านเข้ามาก็ผ่านไปอันนี้มันมันจะไม่ติดแต่บางเรื่องมันผ่านเข้ามามันไม่ผ่านไปแล้วก็ต้องหยิบมันออกอบางเรื่องเอาเอาน้ำมาทานหน่อยใส่นั่นมาอเอาน้ำออกแล้วก็ ให้ว่างเหมือนเดิมบางครั้งจําเป็นใช้ก็ใช้มันแต่ใช้เสร็จแล้วจบเอาออกหนึ่ ง, ล, ล, งลักษณะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสองลักษณะผ่านมาไม่ผ่านไปเ้าหยิบออกสามลักษณะที่จําเป็นต้องใช้เอาออกเสร็จแล้วก็ให้ว่างเหมือนเดิมลักษณะในวิธีการทําใจเบาวาง จากความคิดปรุงแต่งจไหวไหมลองดูนะไหวไม่ไหวก็ลองโลก่อนก็แล้วกันนะแต่บางทีมันมากันพรุ่งพทีเดียวหลายๆเรื่องนี้เ ท, ท่าไงเทเลยนะไม่ต้องหยิบเลยเ <laughs> ทกระจาษเร็วเงี้ยเทขั้วมาเลยนะวเร็วพลิกตีกลับเลยวเงี้ยสามร้อหกสิบองศาเลยนะลวเงี้ยนั่นจะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีเทคนิคมีศิลปะพอสมควรนะ ซึ่งออมาว่าในพุทธศาสนาเป็นศิลปะในการแก้ปัญหาสูงสุดของชีวิตนะถ้าใครเข้าถึงศาสตร์อันนี้นะชีวิตจะไม่มีปัญหาอะไรและชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยอะไรที่น่าตื่นเต้นน่ามหาัศจรรย์มากมายแต่เราไปหมกมุ่นอยู่กับความคิดเก่าๆ เ, เ, เ, เดิมๆคิดในเรื่องที่เราเคยแหละแต่เรื่องที่เราไม่เคยคิดมีอีกหลายอย่างแต่เราคิดแล้วคิดไม่ถึงอะ่ะที่เราใช้คำคิดไม่ถึง แสดงมันมีอยู่เยอะแต่เราอยคิดไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ทําไงถึงจะคิดถึงก็ต้องปลดไอ้ของเก่าออกอก็เรลยว่ากุญแจอเชือกไม่ได้กุญแจไม่ได้ไขกุญแจยังไขเข้าไปไม่ได้เชือกไม่ได้เชือกไม่ได้แก้เหมือนกับเราผูกเรืออันนี้ติดฝังใช่ไหมทีนี้เราจะเอาเรือออกจากฝังเนี่ยเชือกมันไม่ได้แก้มันติดหลักอันนี้เชือกอ่นะก็ะติดหลักนี้แล้วก็มานั่งพายอยหัวเรเือนะ ห <sk r isa> ายเท่าไหร่มันไม่ไปเชือกไม่ได้แก้กุญแจไม่ได้ไขอันนี้มันจะเข้าไปมันมันไม่ได้ไขมันมีด่านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ต้อไขกุญแจในผ่านเข้าไปจิตของเราเป็นลักษณะอย่างนั้นคือไปติดในเรื่องเก่าๆ เ, เ, เ, เดิมๆติดคู่บอดทานเดิมๆ เ, เชือกไม่ได้แก้กุญแจไม่ได้ไขมีไปติดอยู่ในเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องงานเรื่องอการศึกษาเรื่องก็ก็จะไปติวนอยู่เรื่องเนี้ยวนอยู่ในระดับนี้ แต่ถ้าเราฝึกเทความคิดเหล่านั้นออกไปแล้วก็ตั้งสติใหม่สํารวจใหม่บ่อยๆเหมือนว่าเราไม่เคยคิดอะไรมาก่อนเหมือนกับกระจัดที่ไม่เคยใส่แล้วมาก่อนแล้วยิบออกให้หมดฝึกยิบออกให้บ่อยๆนะบ่อยเพราะเราสัมผัสได้จิตเบาสบายบ่อยๆนะยมแฟนยมจุ๋งเชื่อเลยนะฮะพวิญยมพวิญเคยทำไหมเคยหยิบของเอาจากใจบ้างไหม หยิบควาคิดออกจากใจไหมไหมทีนี้บางทีมันไม่มาในรูปของความคิดมันมาในรูปของความง่วงอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่วัตถุแล้วถึงง่วงเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเป็นน้ำเละใส่เขไปอย่ี้แล้วไม่ใช่วัตถุธรรมดาอู้หูมันกดคอเราลงเนะยงุ้มกำมือเง่าเลยนอกจากยกไม่ขึ้นแล้วมันยังกดตัวเราอีกนะออันนี้ดูออกยากหน่อยใช่ไหม โยกยากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของจิตนะท่านแบ่งไว้ถึงแต่หลักๆท่านท่านแบ่งไว้กลุ่มอารมณ์มันมีอยู่สามหนึ่งจิตที่มีกุศลจิตที่มีอกุศลจิตที่เฉยๆอยู่หรือซื่อๆหรือเฉยๆถ้าจิตซื่อๆหมายความว่าเรารู้ แล้วก็าออกมีแต่ภาชนะซื่อๆเฉยๆไม่มีอะไรนะภาชนะซื่อๆเพราะจิตที่ในกลุ่มที่เป็นกุศลเนี่ยก็จะมีที่เราสวดนะก็มีจิตที่มีไม่มีราคาจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะแล้วก็เข้าไปรู้บางครั้งจิตของเราว่าใช่มันมีราคาโทสะโมหะแต่เราไม่ใช่นะบางครั้งมันไม่มีแต่ว่าเราไม่รู้นี่มันจึงไม่เป็นจิตตานุปัสสนาขณะนี้จิตความชอบก็ไม่มีความไม่ชอบก็ไม่มี แต่เราไม่รู้มันตัวไม่เข้าไปรู้นี่เองคือตัวโมหะแต่ราคาไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีเราก็รู้ว่ามันไม่มีเห็นจิตเกลี้ยงเกลาตรงนี้มันเป็นตัวปัญญาอา้าวพอลืมปับ๊บลืมดูมันจิตขณะนี้ราคะมีไหมไม่ไ ม, มีโทสะมีไหมไม่ไ ม, มีโมหะมีไหมเราเข้าไปเห็นจิตที่ไม่มีอะไรที่มันโลง่ล ง, ง, ง au, ๆโปร่งๆเบาๆสบายๆมีแต่ความรู้สึกโลท่วงล้อม ขณะนั้นเป็นโลกุตรปัญญาตรงกันข้ามกันเลยนี้ฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เป็นกุกุศลเนี่ยวีตระราคังว่าจิตตังวีตระราคังจิตตันติปชาณติเรารูา้ชัดว่าจิตไม่มีาราคะก็รู้ว่าจิตไม่มีราคะวีจาโทสังว่าจิตตังวีจาโทสังจิตตันติปชานาิเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีโทสะ ถ้าจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะพอสังเกตง่ายใช่ไหมแล้วทีนี้วีต่าโมหังวาจิตตังวีต่าโมหังจิตตันติปัชนะนี้เมื่อจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะลักษณะโมหะเป็นยังไงลักษณะไอโทสะเนี่ยเราเรารู้ใช่ไหมจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะ <c oughs> ราคะหรือลักษณะชอบเนี่ยยังไงเรารู้ชัดแต่ลักษณะโมหะเป็นยังไงใครใครเคยสังเกตบ้าง ไม่ทันความคิดอันนั้นคือคือคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดแต่ถ้าเราคิดเรารู้ว่าคิดนี่ไม่เป็นมุหานะเออมีข้อคิดอันนี้อย่างเวลาเราฝันเนี่ยนอนหลับแลาฝันเรารู้ว่าเราฝันไหมส่วนใหญ่มันจะไม่รู้ตอนไหนตื่นแล้วถึงรู้ว่าฝันใช่ไหมแต่ถ้าคณะฝันเรารู้ว่าฝันเนี่ยเราจะรู้ตื่นขึ้นทันทีเลยเออนี้มันฝันไปบางทีฝันร้ายอย่างนี้นะฝันร้ายว่า อ่ากําลังรอเครื่องพอเครื่องบินเอกแล้วเราขึ้นเครื่องไม่ทันเครื่องออกไปแล้วเงี้ยเราตกใจตื่นเครื่องไม่ทันตื่นเลยแล้วก็รู้ว่าออกฝันร้ายอย่างนี้นะดีไปมันเข้ามันกลุ้มขื่นมากเพราะนั้นเราคิดเราเข้าไปในความคิดเราจะบรู้เราคิดใักษณะที่เราไม่รู้ว่าคิดเราไม่รู้คิดตรงนั้นเป็นโมหะถ้าเราชอบเราไม่รู้ว่าเราชอบก็เป็นโมหะเราไม่ชอบ แต่ก็ไม่รู้ว่าเราไม่ชอบรู้สึกมันไม่ชอบอยู่ใน ใ, นใจแต่เราไม่รู้ว่าลักษณะนี้คือไม่ชอบเราไม่รู้ชัดอันนี้ก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นโมหะนี้ได้เยอะมากเลยนะเป็นลักษณะที่ที่เราไม่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในกาย ใ, ในใจของเราในขณะนี้เรานั่งเนี่ยอาการของความหนักในร่างกายปรากฏในส่วนไหนบ้างของร่างกายเนี่ยเรารู้ชัดหมถ้ารู้ชัดเป็นลกุตร ะ, ะปัญญา ถ้ารู้ชัดน้อยก็เป็นน้อยถ้ารู้ชัดมากก็เป็นมากถ้ารู้เบทผลเผยเริ่มเป็นโมหะแล้วหรือไม่รู้เลยน ะ, ะรู้แต่มือแต่ไม่รู้ที่ขากำลังปวดอันนี้ก็เป็นโมหะน้อยหน่อยนะแต่ถ้าเราเออรู้แล้วก็เปลี่ยนไปแล้วเห็นอาการทั้งหมดอันนี้ก็ตัวโมหะก็จะหมดเป็นโลภุตลาละปัญญาเต็มที่มันก็สลับกันอยู่อย่างเนี้ยตามเปอร์เซ็นต์ของมันถ้ารู้ชัดมากเปอร์เซ็นต์มันก็สูง แต่รู้ชัดน้อยคุมเครือเปอร์เซ็นต์รู้มันก็ต่ําอันนี้คือข้อที่เป็นความแตกต่างของแต่ละคนเพราะในขณะที่นั่งหรือปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้กันเลยว่าใครรู้ได้ชัดมากชัดน้อยใช่ไหมแต่ละคนจะรู้รู้ตัวเองทีแล้วจะไปรู้ผลตรงที่ว่าใครมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไวโดยนั้นแสดงว่ารู้คนนั้นรู้ชัดเป็นส่วนใหญ่แต่คนนั้นปฏิบัติมาเยอะเหมือนกันเวลาเท่ากันแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้น้อยมากแสดงว่าความรู้ชัดมีเปอร์เซ็น ต่ำเปอร์เซ็นต์น้อยถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากแต่ขณะปฏิบัติเราไม่รู้กันหรอกพ่าใครชัดไม่ชัดใช่ไหมเพราะอันนี้คือเรื่อปัจจจตังรู้ตัวใครตัวมันดังนั้นเองตรงเนี้ยเราก็อย่าไปแปลกใจเวลาผลมันออกมาเอ๊ะทาไมเราปฏิบัติแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติแล้วไม่เห็นเข้าใจอะไรเลยปฏิบัติแล้วรู้สึกมันไม่ชัดมันยังคิดอยู่เหมือนเดิมยังหงุดหงิดเหมือนเดิมเนแสดงว่าในช่วงปฏิบัติเราไม่ไม่ชัดเอาเลยใช่ไหม เราโมจะไปนั่งง่วงบ้างนั่งคิดบ้างนั่งอตินั่นตรองนี่บ้างไปทางโน้นเลยจิตแต่แทนที่จะมารู้ชัดๆก็แต่ โ, โจุดเท้าเนี่ยเรากลับไม่รู้มีใช่ไหมบางคนนั่งยกมือไปทั้งสิบนาทีก็ ค, คิดสิบนาทีอันนี้คือข้อแตกต่างบางคนยกมือสิบนาทีรู้ใช้หนาทีไม่รู้ใช้หนาทีเพราะฉะนั้นดูที่คุณภาพของตัวรู้มันจะมีนี้ต่อมาในกลุ่มที่เป็นกุศลมันจะมีราคะโทสะ ลกลุ่มที่เป็นอกุศล น, นะฝ่ายจิตตานุปัสนาฝ่ายที่เป็นอกุศลมีราคะโทสะโมหะมีฟุ้งซ่านมีโหดหูมีไม่ตั้งมั่นจิตไม่ได้อารมณ์จิตมีอื่นจิตอื่นแทรกจิตไม่หลุดจากอารมณ์จิตที่มีความไม่ตั้งมั่นเหล่านี้เป็นกลุ่มของอกุศล แต่กลุ่มที่เป็นกุศลก็จะมีจิตที่ไม่มีราคาไม่มีโทสะไม่มีโ ท, โ, ทโมหะมีจิตไม่มีจิตอื่นมาครอบงำได้อารมณ์ตั้งมั่นหรุดจากอารมณ์ด้านนั้นได้พวกนี้เป็นกลุ่มของกุศลเป็นกลุ่มที่ดีแต่ส่วนที่ไม่เข้าไปรู้มีก็ไม่รู้ไม่มีก็ไม่รู้ตัวนี้เป็นตัวโมหะโมหะนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศล เป็นรุศลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมื่จะมีสามกลุ่มใหญ่ๆอ่ซึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้สวดที่มันได้สวดไปแล้วจิตตานปุปัสสนาไม่ได้สวดไม่ไี้สวดอ่ะวันนี้เป็นวันจิตตานุม่สวดที่หลงไปบทกายาเฉยเลย <c oughs> อ๋อเรื่องนี้คือวันไหนที่เราจะจะพูดเรื่องไหนเราจะสวดบท น, นั้ น, นเพื่อจะให้เป็นแบบอ่าแผนมันไปอย่างงี้นะแล้วก็ยะว่ากันตามนั้นทีนี้ต่อมา เรื่องจิต ท, ที่จะเป็นตัวสัมมาสมาธิอจิต ท, ที่มันเกิดสัมมาสมาธิเป็นจิตอย่างไรตรงนี้ดูนะว่าจิต ท, ที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นจิต ท, ที่ตั้งมั่นได้ถูกต้องที่ว่าเข้าสมาธิได้ถูกต้องน่นเข้าอย่างไรนะแล้วในวิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยในตัวสัมมาสมาธิจิตของเราอยู่จุดไหนแล้วเข้าฌานได้หรือไม่ ตัวนี้เราสงสัยกันในปฐมฌานคือจิตที่ลราขณะที่นั่งจเจริญสติก็ดีนั่งสมาธิก็ดีขณะนั้นมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาเป็นพักๆคือมันคิดวิตกเรื่องนั้นเรื่องนี้อไม่ถึงกับปรุงนะจับเรื่องนั้นมาแต่ไม่ปรุงนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้เขาเรียกอันนี้เขาเรียกวิตกนึกถึงนิดันน้นนิดนึกถึงพอไปจับบางเรื่องพอวิตกเรื่องนั้นปั๊บมันไม่ผ่านคือหมายความว่าจับต่อเลย นึกถึงเรื่องบ้านก็ผ่านไปนึกถึงเรื่ององานก็ผ่านไปนี่ถึงเรื่องพันยาสามีก็ผ่านไปพอเนึ่องถึงเรงลูกเอ๊ะมานี่เราทิ้งลูกไว้ที่บ้านมันจะเป็นไงไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนหรือเปล่าติดเงก์เลยก็นี่ไม่ผ่านนเนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกวิจารณ์อวิจารเอ๊ะฝากพ่อมันพ่อมันจะดูแลให้เราหรือเปล่าอะไรต้องนี่ติดตรงนี้เขาเรียกวิธีวิตกหลายๆเรื่องตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างใช่ไหมแต่ไม่ไม่ติดผ่านไปได้แต่พอมาคึกเรื่องนี้ ไม่ผ่านนี่เขาเรียกวิจารณวิตกวิจารณแต่พอผ่านไปได้พอรู้สติรู้ทันสติรู้ทันผ่านไปได้อ๋อจิตก็เบาสบายอันนี้เขาเรียกวิติแล้วก็ดูความเบาสบายผ่อนคลายไปเรื่อยๆรู้สึกผ่อนคลายร่างกายสมเป็นสุขนะปิติสุขแล้วจิตก็นิ่งได้เป็นพักๆแลเอคาคตาอันนั้นกลุ่มที่หนึ่งนะถ้าจิตที่ตอนแรกเนี่ยมันก็ คิดบ้างไม่คิดบ้างวิตกบ้างวิจารบ้างสบายบ้างสลับกันไปสลับกัมาสลับกันก น, นี่จิตอยู่ในเรียกว่าฌานที่หนึ่งรู้ว่าออรู้แก้ไขความคิดได้ความคิดออกไปแล้วนะกลับม า, บาสบายใหม่สักพักมันก็เมาใหม่แก้ไขออกไปได้ถ้านิ่งอยู่อย่างนี้่พักใหญ่ๆก็เป็นตัวปฐุมฌานละมีไหมเวลาเราปฏิบัติลักษณะนี้มีไหม ที่แก่กันไปแก่กันมามีใช่ไหมแกเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยววิตกแล้วก็สลัดไปกลับมาอยู่ในช่วงที่มันเป็นเบาสบายแล้วก็นิ่งได้อยู่นานๆได้นานแค่ไหนแล้วก็เข้าฌานได้ที่หนึ่งนานแค่นั้นถ้าหากว่ามันนิ่งอยู่ห้านาทีก็แสดว่าเข้าฌานในห้านาทีมันเบาสบายอยู่ห้านาทีหมายความว่ามีปิติได้สุขแห้านาที คนไหนรู้สึกนิ่งสนิทอยู่กับปัจจุบันถ้าเคลื่อนไหวอยู่เดินอยู่เดีจิตไม่ไปไหนจิตรับรู้ชัดเจนมากก็ยิ่งหลายนาทีก็ไมายคเข้าชาที่หนึ่งได้เท่านั้นทีนี้ต่อมาอันที่สองชาที่สองสามารถตัววิตกวิจารความคิดไม่เข้ามาแล้วส่วนใหญ่ความคิดมันจะห่างไปวิตกวิจารณ์ก็ห่างไปไมาเห็นความรู้สึกตัวเป็นส่วนใหญ่ชาตแต่หัวเจ็บเท้าเบ า, เบาสบาย ทำนิ่งทำเบาทำสบายแล้วก็ปกติจิตมันนิ่งอยู่ได้นานแล้วก็โปร่งเบาสบาย น, นี่เขาเรียกว่ามีตัวโปร่งเบาตัวปิติได้สุขแล้วก็เหลือเอกคตาคือนิ่งอยู่ได้นานจิตตั้งมัน่นไม่ใช่นิ่งสนิทแบบไม่รั่วอะไรนะอันนั้นเขาเรียกสมถะแบบสงบแบบสมถะสงบแบบพรามซึ่งมันนิ่งสนิทไม่รับร่วอะไรเลยนะเข้าไปอินเข้าไปในลึกเลยดีฟมากเลยลงไปลงไป จนกระทั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราจิตไปอยู่ในมิติเดียวเหมือนก็อยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยหลุดไปเลยอาสนนี้มีสติไหมถ้าเป็นสมถะแบบพรามเนี่ยมันมีสมาธิแต่ขาดสติอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมถะแบบวิปัสนาแล้วแต่ถ้าสมถะวิปัสเป็แบบพุทเป็นวิปัสนาเนี่ยมันจะมีความโปร่งเบาสบายจิตนิ่งแต่รู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังยกอยู่ แต่จิตตั้งมั่นอยู่ในในในส่วนหัวจุดเท้าชัดเจนว่าร่างกายเกล็งตรงไหนขัดตรงไหนรู้ชัดแก้ปรับจิตก็ยังไม่วอกแวกไปปรับแก้ปรับแก้อยู่ในปัจจุบันนชัดนิ่งอยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่อะไรคือขึ้นตั้งอยู่ดับไปลักษณะนี้เป็นฌานที่สองนะมีใช่ไหมบางคนมีัหมลักษณะอย่างนี้บางครั้งมีไหมมีฌานที่สองทีนี้ พอไปอันที่สามพอทำไปลักษณะชา้นที่สองดำรงได้นานเข้าน้นเข้าจิตมันก็จะเป็นตัวเอกคาตาคือหมายความนิ่งได้นานแต่ก็ความปวดความเมื่อยไม่ค่อยมีละสุขละทุกหมายความภาวะที่เป็นสุขก็ละได้คือหมายความไม่ไปไปติดในความเบาสบายนั้นและขณะเดียวกันก็มันมีทุกเขเวทนาอยู่บ้างก็ไม่ไปติดใจ โรคปวงเบาสบายแล้วก็สามารถบาบัดทุกขเวทนาะทางกายทางจิตได้ชัดเจนจิตก็นิ่งอยู่ได้นานกว่านั้นอีกแต่ละสุขละทุกได้นะไม่ไมส่สุขทุกทางกายไม่บีบคัน้นสุขทุกทางจิตไม่บีบคัน้นรับรู้อยู่เป็นเอ ก, กตายอย่างเดียวจิตนี่เป็นฌานที่สามแล้วก็รักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าความรู้นรุตัวชัดเจนเห็นจิต ปล่อยวางจิตจะรู้จิตไม่วอกแวกจิตไม่วันไวให้รู้ตัวซื่อๆรู้เฉยๆชัดๆแต่ช่วงเวลาต่อเนื่องกันยาวนานพอสมควรนี่ก็เป็นชา้นที่สี่ชนที่สี่มีสติและอุเปกขาคือหมายความว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะเดียวก็จิตก็วางจิตชื่อๆเกิดขึ้นได้จิตวางเฉยถ้าเป็นกลางในกายในใจเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราปฏิบัตินะั้นมันจะจะิต จ, จ, จะวิ่งอยู่ถ้าทําถูกนะจิตมันก็จะวิ่งอยู่ใน อารมณ์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามสี่ตลอดในวิธีการของพุทเอียนเพราะฉะนั้นในวิธีการของพุทเอีนเข้าฌานได้แต่เป็นฌานของวิปัสสนาไม่ใช่ฌานของสมถะเพราะฌานของสมถะมันจะลึกลึกลึกลึกลึกงไปดับนิ่งดิ่งดับไปโดยที่ไม่รู้นรู้ตัวแต่มันหลุดไปอีกมิติหนึ่งเลยทึงมาได้สมัยนะั้นเคยทําบ่อยพอหลุดไปมิตินี้เหมือนกับจิตของเราบางลงบางลงจนพนังมันเป็น เข้าไปสู่ฌานที่แปลเลยคือหมายว่าเป็นหลุดออกไปเลยร่างกายเหมือนก็ร่างกายเราไม่มีจิตของเราไปอยู่อิมมิติหนึ่งเลยนะถ้าต้องการที่จะกลับมากระชากลมหายใจเรื่องความรู้เนื้รุ้ดวงแรงมันก็กลับมาแต่ในช่วงที่เราหลุดไปเนี่เหมือนไปอยู่ในที่เขาเรียกว่าพรหมอ่ะลักษณะนี้เขาเรียกว่าพรหมอ่าซึ่งซึ่งนานๆเข้าลักษณะจิตมันจะมีพลังทีนี้มัมีพลังสามารถที่จะ หายตัวได้สามารถที่จะเหาะหรือเดนอากาศได้สามารถที่จะรู้อะไรซึ่งตัวกิเลสอาสวะเรายัางไม่ได้ลดลงใช่ไหมเราก็ไปยึดอันนั้นเป็นเป็นที่อยู่ของเราแล้วมันหายไปเวลาเมื่อไหร่สมาธิลดต่ําเราก็าพยายามทําอีกอย่งนั้น่ะเวลารู้สึกมันทําไม่ได้ก็พยายามบางทีพยายามทั้งคืนเลยเพื่อจะไปได้อารมณ์นั้นกลับคืนบางวันก็ไม่บางคืนก็ได้บางคืนก็ไม่ได้ทําอยู่อย่างนั้น ซึ่งในที่สุดแล้วเวลามาเราออกจากสมาธิแบบนั้นแล้วเราไปทําการทํางานมีอะไรมากระทบปึ้งอย่างนี้แล้วก็ขุนมัวโกรธเหมือนเดิมขุนเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปทําอีกในที่สุดแล้วเอ๊ะทําไมมันเราก็ทําสมาธิได้สูงทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้เราจะสงสัยทีเนี้สงสัยว่อนไม่ใช่แล้วแบบนี้เพราะอะไรไม่ได้ลดลงเลยแต่เข้าสมาธิได้แต่ว่าตัวคิดตัวปรุงแต่งตัวหงุดหงิดตัวไม่พอใจมีอะไรมากระทบยิ่งแรงกว่าเก่าบางที เมื่อก่อนอะไรกระทบก็โกรธไม่มากแต่พอต่หลังมาเพิม่มจิตเป็นอย่างนี้ปั๊บมีอะไรกระทบปั๊บนี้มันแรงกว่าเกา่านี่เขาเรียกว่าเป็นสมถะเป็นฌานแบบสมถะนะดังนั้นเมื่อเรามาทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นฌานแบบวิปัสนานะคือเข้าไปฌานที่สี่เลยมีความรู้เนื้อรู้ตัวจิตเป็นเปขคาและมีสติคือหมายความรู้ตัวซื่อๆนั่นเอง เพราะนั้นคำว่ารู้ซื่อื่อนี่ไม่ใช่คําธรรมดานะเป็นจํากัดความของฌานที่สี่แต่ว่าตัวรู้ซื่อื่อนี่จะดํารงอยู่ได้นานแค่ไหนถ้าดํารงอยู่ได้ขั้นต้นแค่ห้านาทีสิบนาทีอาจจะเป็นฌานที่หนึ่งแต่ตัวรู้ซื่อดํารงได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปเนะี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนะี่ยมารู้ซื่อไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งไปตามอากาศที่มากระทบที่ฉันใช้ก็ว่าเห็นอะไรก็สึกแต่ว่าเห็น ไม่ได้ปรุงแต่งที่เราเห็นได้ยินอะไรก็สัตธว่าได้ยินไม่ปรุงแต่งไปตามสิ่งที่เราได้ยินคิดอะไรก็สัตธว่ารู้ไม่ได้ปรุงแต่งไปตามที่คิดถ้าใครดำรงจิตนี้ในนานก็ไม่ข้องอยู่ในชาญนสีได้ตลอดเวลาทั้งท่านที่ทำงานอยู่ทั้งท่านที่ทำาน่นทานี่ด้ยแต่รู้สึกตัวชัดเจนในการเคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปหลุดออกไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบถามว่าเป็นไปได้ไหม ลองไปฝึกดูเป็นได้เป็นได้นะไดแล้วจิตประเภทนี้จะเหมาะกับการเข้าสู่ตัววิปาาัสนาญาณพรมาความพ้นออกไปยเข้าสู่วิปัสนาญาณเลยคือนะมันจะรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้สมมุติรู้ปรมาจิตไปเรื่อยๆทีนี้มันเข้าสู่คลองเข้ามันแล้วรู้ได้ไม่ยากดังนะนั้นเรื่องของจิตท่านจึงกล่าวไว้ในหลายมิติและ เมื่อเข้าไปสู่ภาวะของจิตแล้วท่านเสมือนนึงว่าตัวเหมือนหุ่นไลากานะหุ่นไลากาที่เขาปักไว้กลางท้องท้องหนานะหุ่นไลากานี่มันจะทำหน้าที่เคลื่อนไหวต่อเมื่อมีอะไรมากระทบลมมากระทบใช่มันเคลื่อนไหวแล้วมันเหมือนเหมือนเหมือนกับคนจริงเลยนะ โฮโนกกามก็กลัวแต่จริงๆแล้วจิตที่มีอยู่นั่นเหมือนกับหุนเรกาที่ตั้งแต่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยมันเหมือนกระลมเพราะนั้นในลักษณะของจิตที่มันมันแกว่งไปตามลมเนี่ยมันก็จะไหวพอไหวแล้วเรารู้ว่าจิตมันไหวพอรู้ว่าจิตมันไหวปั๊บเราก็สามารถปรับให้มันนิ่งได้ แต่ถ้าลมพัดข้างนอกอย่างที่เป็นรูปธรรมเนี่ยเราปรับมันไม่ได้แต่ลมคือวิตกวิจารณ์มากระทบเนี่ยเราปรับมันได้เรื่อยๆปรับมันได้อีกอย่างหนึ่งท่านเปรียบเสมือนเรือเรือที่มันลอยน้ําทุกอย่างในขณะที่เราปฏิบัติเข้าสมาธิเนี่ยอารมณ์ทุกอย่างมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ใต้ใต้จิตของเราเหมือนน้ําอยู่ใต้เรือแต่จิตของเราจะล อ, อยสูงชัดเห็นจิตว่าอ๋ออยู่เหนืออารมณ์แต่อารมณ์ยังมีอยู่ ผู้ดเจ้าแต่สรู้ภายใต้อารมณ์ที่มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้าไปในอารมณ์เหมือนเรือที่อยู่เหนือเหนือน้ำแต่ถ้าไม่มีน้ำเรือก็ลอยไม่ได้จิตนี้ถ้าไม่มีอารมณ์เป็นที่ตั้งจิตเนี่ยก็มันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีอารมณ์ตัวอารมณ์นั้นเรียกว่าอารมณ์ฌานบ้างอารมณ์สมถะอารมณ์มิปัสนาเป็นตัวรองรับนะเป็นตัวรองรับดังนั้นเวลา การประคองจิตอยู่เนื้ออารมณ์นั้นก็ให้สุขเวทนาก็มีอยู่ทุกขเวทนาก็มีอยู่ความคิดและการกระทบยังมีอยู่แต่จิตคือความรู้รู้ตัวนี่แหละตัวที่เราฝึกเนี่ยตัวรู้ฝึกตัวรูตว้ตัวนี้เป็นตัวจิตเราใช้คําว่าคอนชีสที่มันอยู่ติดกับรูปกระนำนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ตัวรู้ที่มีอยู่อีกทีหนึ่งอรู้ว่าขณะนี้จิตมันรู้อะไรแล้วเข้าไปดูจิตอีกทีหนึ่ง ะเช่นว่าเราจะหยิบจะจับอะไรต่างๆความรู้ตัวเนี่ยมาอยู่ที่มือใช่ไหมแต่เราเห็นความรู้ตัวที่ไปที่มืออีกชั้นหนึ่งตัวนี้คือยากขึ้นมา อ, อีกนิดหนึ่งเวลาเรารูกขึ้นเราเห็นตัวเองลุกขึ้นอันนี้เป็นตัวรูปนามเห็นตัวเองถ้าลุกขึ้นเราเห็นว่าเ อ, อความหนักมันคลายไปหรือเวลาลืลมตาขึ้นความง่วงมันหายไปใช่ไหมคุณถวิน ถ้าลืมตากว้างๆหรืความง่วงมันจะหายไปหายใจลึกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเบาใช่ไหมแต่พอหายใจเบาป๊บมันจะหนักใช่ไหมสังเกตนะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแต่ถ้าเราขาดสติแล้วมันก็จะมันก็จะไม่รู้แต่พอความหนักของง่วงหายไปปั๊บรู้ว่าอ๋อความง่วงมันเบาสบายและความที่ง่วงมันผ่านไปมันเบาสบายอันนี้ก็เรื่อตัวรู้อีกทีหนึงซึ่งถ้าตัวรู้นี้ถ้าเราสร้างจังหวะเดินชูคมน้อยเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีแต่รู้ที่สิ่งที่นั่นมีอยู่ ความสบายไม่สบายมีตัวนี้รู้ในรูปในนามรู้แต่ว่าไม่สามารถที่จะไปเห็นตัวรูปตัวนามที่ที่ชัดเจนเพราะตัวรู้ที่เรายกหรือสั่งสมยาการเดินจงกรมเนี่ยไม่พอนะไม่พอนะอันนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องหาสาเหตุมอนว่าเพราะเหตุไรตัวรู้ของเราจึงจึงไม่ชัดทาไมตัวรู้ของเรามันจึงมาช้าทาไมตัวรู้ของเรามันจึง ไม่ไม่ต่อเนื่องก็เพราะมีตัวไม่รู้มันแทรกอยู่ที่ี่ตัวไม่รู้เกิดจากอะไรไมันมีเรื่องเล่านะแต่โบราณเล่าถึงเรื่องปฏิสมบัติเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลยังไงเขาจะตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าระหว่างลูกออสกับจ้าแจันเนี่ยสัตว์ประเภทไหนมีไส้สัตว์ประเภทไหนไม่มีไส้สองอย่างนี้ คนอุเทนรู้จักไหมลูกออดเปไ็นไงยุทธพินเคยเห็นไหมลูกออดเป็นไ ง, ออไไงเยอะมาก <c oughs> มันเกิดจาก <c oughs> มันมันเกิดจากอะไรลูกออดเกิดจากอะไรลูกกบลูกเขียดใช่ไหมไส้มันจะเป็นไงเต็มพุงเลยใช่ไหมเยอะมากเลยคือเห็นท้องป่องคือไส้ทั้งหมดเลยแล้วที่นี่เคยเห็นจยกกระจันไหมแยกกระจันเวลามันตายเนี่ยเรามาดูมันมีอะไรเลยในตัวมันไม่มีไส้จยกระจันเนี่ย จึงร้องในเสียงดังมากไงเพราะมันไม่ต้องผ่านไส้ทีสัตว์สองประเภทตรงกันข้ามเลยแจกกี้ันไม่มีไส้แต่ลูกออสมีไส้เยอะเลยเขาก็ถามว่าเพราะเหตุไรเรื่องมันเกิดทีนี้เขาบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าสมัยปฐมบรมกับโน้นตั้งโลกใหม่ๆสัตว์คนรู้เรื่องกันหมดเขาบอกว่าวันหนึ่งพวกลูกออดเนี่ยมันพากันเดินขบวนมันมีตั้งแต่ต้นแล้วนะมนไม่ใช่มีตอนนี้นะเดินขบวนไปพบพระพ อ, อีนทรสวน แต่เช้าเลยพระมีส่วนก็ถามว่าพากันมาทําไมเนี่ยโอ้พวกขุมทั้งหลายนี่ถูกเหยียบตายกันไปเยอะเลยว่างั้นเอามันเรื่องอะไรล่ะเพราะมีช้างตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วหอยมาเหยียบเอาพวกกระผมทั้งหลายก็อยู่ในบวกน้ําใกล้ๆที่นี่ช้างตัวหนึ่งมันมันนอนมันยืนช้างนอนเวลามันหลับมันได้นอนนะมันยืนแล้วมันมาเหยียบพวกขุมเนี่ยในบวกน้ําลยเหลือไม่กี่ตัวเนี่ยก็เลยพากันมามาบอกว่าให้จัดการกับช้างนี่ทีนึง เฮีส่วนก็ให้ไปตามไปตามช้างมาว่าทําไมช้างถึงไปเหยียบรูอ้อตายก็สอบสวนอ๋อผมไม่มีเจตนาครับอทําไมไม่มเจตนาไปเหยียบเข้าได้เนี่ยเพราะฉะ น, นั้นมันมีลางมดแดงขนาดใหญ่ตักตกใส่บนหลังผมในขณะนั้นประมาณตีหนึ่งทีสองได้เนี่ยผมก็สะดุง้งเพราะสะดุ้งว่าโคตหอยหลังเพราะถ้าหลังตีนเนี่ยไปเหยียบกับบวกน้ําเนี่ยอา้าวลามูแดงมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันผมนอนได้ต้นไายลามดแดงตกใส่หลังมูแดงก็กัดผม อ่ทั้งหลังเลว็วเงั้นอ้าวงั้นไปตามมดแดงมาก็อสอบสวนมดแดงอ้าวมดแดงทําไมไปเป็นข้ามือคืนห้าทุ่มตีเอ่อตีหนึ่งได้ไหมไปตกใส่หลังไปกัดช้างเข า, าอ๋อผมไม่มีเจนาไปกัดเอาทําไมมันตกไปตรงนั้นเพราะมีไก่ป่าตัวหนึ่งมันมันบินมาใจมาเหยียบใส่ลังผมพวกผมพอดีมันก็หลุดลงไปใส่หลังช้างว่ะงี้ยผมก็ตกใจเพราะกัดทะลุ ป, ปูปังไปหมดว่ะเงั้ย น, นะอ่าทีนี้เอางั้นไปตามไก่ป่ามาแล้วทำไมไปเหยียบหลังเขาตกออกม า, มา ก็ตามไก่ไปามาถามไก่มันดึกดึกดืนเนีไ่ไมจะไปไปเหยียบหลังเขาตกลงมาอา๋อผมไม่มีเจไดอ๋ไม่มีเจไดไปเหยียบถูกไม่รู้มันไปตกตรงนั้นพอดีองั้นอ๋อเราไปบินไปได้ไงบอกว่าผมนอนอยู่ที่พุ่มไม้แล้วไม่มีกวางต้นหนึ่งวิ่งมาชนพุ่มไม้ที่ผมนอนผมตกใจกาลังนอนอยู่เขก็บินะเตลิดเพราะงั้นแล้วมาลงตรงนั้นพอดีเอางั้นไปตามกวางมาทําไมไปชนต้นไม้ที่เขานอนอยู่ อ๋อไปตามกวางถามกวางเก้งนไงนะที่มันกินมะกอกอะ่ะเรีย ก, กวางหรือเก้งเก้งเนาะอีนไม่เคยตามเก้งมาอ่าเก้งทําไมไปตื่นแต่เช้าแล้วไปชนต้นไม้ที่เขานอนอยู่ที่ไก่เขานอนไปชนเขาทําไมวะอ๋อต้างปกตินเนี่ยเวลาผมได้ยินเสียงจจกรจันผมก็มันก็คิดว่าสว่างแล้วผมก็ต้องรีบตื่นรีบตื่นไปทาไมไปที่ต้นมะกอกพรางั้นเพราะตอนตื่นเช้าเนี่ย ช่วงเช้าๆมะกอกมันจะหล่นใช่ไหมหล่นแล้วก็ต้องรีบไปกินมะกอกถ้าเหาไปช้าไม่ได้พอไปช้าเดียวเพ่งตื่นมากินหมดว่ะงั้นผมก็ต้องรีบไปอ้าวแก ต, ตื่นพอเจ้กจันใช่ไหมเจ้ากรจันร้องไ ป, ไปเอยใจงั้นไปตามชจ้กจันมาอหม า, ามเจ้ากระจันทําไมไปร้องตามบุตรีมันต้องร้องตองใกล้สว่างอ่ะที่สี่ที่ห้าห้าโมหกมงใช่ไหมอันนี้มันเพิ่งตีหนึ่งตีสองไปร้องทําไมวะ ผมไม่รู้ขอรับเหมือนกันผมไม่รู้เพราะความไม่รู้ตัวนี้นต่อไปพวกเจ้าตะกูลเจ้ากระจานเกิดมาทุกพวกพุ่งชาติจะต้องเอาไส้เนี่ยไปให้กับดูออทให้หมดในฐานะว่าแกเป็นต้นเหตุให้เกิดชักเป็นต้นเหตุนะ <c oughs> <c oughs> เป็นต้นเหตุต เ, หตเพราะร้องผิดกาลเวลาร้องไม่ตรงเวลาต้งวุ่นต้องร้องตีห้าหกโมงใช่ไหม แต่ทีนี้มันร้องทีหนึ่งทีสองเนี่ยมันมันไม่ถูกเพงั้นอันนั้นก็เลยถูกสาบตั้งแต่นั้นมาพราะอิศวนสาบจะกระเจนไม่มีไส้ถ้าเกิดมาเท่าไหร่เนี่ยต้องเอาไส้ไปใส่ให้กับลูกออดให้หมดลูกออดก็มีไส้มาตลอดนะตั้งแต่นั้นมาอันนี้คือวิธีสอนปฏิจจสุบัติของคนโบราณ เขาไม่ได้บอกว่าเพราะอาวิชชาเขาให้เกิดตันหาตันหาหเกิดเวทานาเราจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่พอโบราณพวกเขาเล่าเรื่องนี้เราเห็นภาพเลยใช่ไหมมันต่อกันยังไงคือแก้ปัญหาคือว่าคนไหนเป็นต้นปัญหาต้องแก้ตรงนั้นในเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นต้นต่อที่เรารู้กันอวิชชาใช่ไหมอวิชชากาะให้เกิดตัว น, นั้นตัว น, น, นั้นๆไปอันนี้ก็จ้กรจันสร้างเรื่องกาะให้เกิดตัว น, นั้นจนมาถึงตัวนี้อันนี้คือวิธีการของเขา เพรตัวไม่รู้พราะตัวไม่รู้มันก็ทําอะไรผิดกลราเทศะใช่ไหมเพราผิดกล้าเทศะมันก็สร้างปัญหาดิเพรสร้างปัญหาแล้วได้รับการกระทบตลอดเลยสมมติว่าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยเราทําอะไรผิดกล้าเทศะไม่รู้รเหตุรูกผลรุดต้นลูดปลายขึ้นมามาโดนบบนคนนั้นว่าคนนี้ปั๊มเนี่คนในครอบครัวเราเดือดร้อนอย่างเดียวใช่ไหมถามไปถามมาไอคนนี้มันไม่รู้มันเข้าใจผิดอืมัมนเก็บเงินเงินมันบอกเงินมันหายแสนหนึ่ง แต้จิงๆคไปมามันไม่ได้หายตรงันไว้ผิดที่เฉยๆแต่มันเดือดร้อนคนทั้งบ้านเลยนะตอนที่มันเก็บมันไม่ได้กําหนดรู้ว่ามันเก็บที่ไหนใช่ไหมเสร็จแล้วมันบอกคนรักเงินในบ้านเนี่ยแต่ความจริงเงินไม่ได้หายเพราะคนรักมันเก็บผิดที่เฉยๆเนี่ยเพราะความไม่รู้ลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเราปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยท่านไม่ให้เข้าไปเชื่อทันทีความคิดก็ไม่เชื่อไม่ได้ทันที ต้องตรวจสอบดูก่อนลนักษณะการเข้าไปตรวจสอบว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจของเราเองเรียกว่าวิชาการที่อะไรเกิดขึ้นแล้วไปสําคัญมันหมายทันทีเรียกว่าหาวิชาสูงแเรานั่งไปนานๆปวดขาเนี่ยพอ้รู้สึกราําคันปวดขาแล้ว เ, นเนรื่นยๆเมื่อไหรก็คิดไปแล้วใช่ไหมลักษณะนี้อวิชาแต่ถ้ารู้สึกปวดขากำหนดรู้ ก, ก็เปลี่ยนไปเกิดเรื่องไหมเกิดความคิดไหมไม่เกิดพอเปลี่ยนก็จบนี่เรื่องนี้เป็นวิชา นิดเดียวนะฮะหรืเรารู้สึกง่วงก่อนที่มันจะง่วงมันจะงึง้งวมันจะต้องมีการเพลินขึ้นมาก่อนนิ่งสักพักหนึ่งใช่ไหมเราก็เริ่มรู้แล้วอ๋อไอ้ตัวนี้มันจะนําไปสู่ง่วงละ่ะก็เขาเปลี่ยนตรงนั้นมันก็ไม่ไปถึงตัว ง, ง่วงนั้นๆเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่จิตของเราจะเป็นวิชาหรืออวิชาขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ว่าเราได้เวลาการฝึกฝน เรามีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการศึกษาโดยเข้าไปรู้เรื่องนี้โดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นไปได้ไหม <c oughs> เป็นไปไม่ได้แม้แต่พุทธิย่าก็เป็นไปไม่ได้เลยพุทธิย่าก็ต้องฝึกมาตั้งหลายปีกว่าจะรู้ได้ดังนั้นเองการลงทุนที่จะมาศึกษาเพื่อรู้เนื้อรู้ตัวแค่นี้แหละมันทําให้เราสบายไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ทุกข์ไปตลอดพบชาติกับกันถ้ายังมีการเกิดอยู่แต่ทําไมเราจะไม่ลงทุนกันเพราะอะไร เพราะเราไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่าเรียกว่าจริงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจใช่ไหมดังนั้นเมื่อถ้ามีการผิดพลาดหรือมีการหลอกกระตุ้มกันมาก็ผิดมาตั้งแต่พุทธเจ้าไม่ใช่สิทิ์ไม่ใช่ผิดเพราะกัตมามาพูดเรื่องนีนะผิดมาแต่เรื่องแต่พุทธเจ้านั่นแหละว่างั้นเด็กอ่าเพราะก็สืบทอดกันมาสองสามพันปีนะถ้ามันผิดวันนี้มันก็อยู่ไม่ได้ละมันจะต้องมีอะไรดีแต่เรายังศึกษายังไม่ถึงเท่านั้นเอง ดังนั้นต้องรีบศึกษาตั้งแต่วันนี้เลยนะถ้าสมมติทำต้งนี้ไปถึงวันตายเนี่ยคุ้มไหมเมื่อวานมาได้ฟังเรื่องหนึ่งมาประทับใจมากถามคุณหนุ่มเขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงก็ถามที่ไปที่มาเจาเขาบอกเขาจ่างานแล้วแล้วก็ยังแล้วมีลูกเนี้ยังมาใครดูแลลูกใครดูายงานเอาผมยังไม่มีลูก ทำไมไม่มีเพราะภริยาผมก็ปฏิบัติเหมือนกันโอ้ดีมากเลยทีนี้เขาบอกว่าเกิดมามันไม่ถึงร้อยปีเนี่ยผมต้องรีบกอบควยเอาอาลีย์รัพย์เพราะไปข้างหน้าอีกยาวนานถ้าอาลีย์ซั์ไม่เพียงพอผมก็ทุกข์ไปเรื่อยอีกอีภพบกี่ชาติ ก, กี่กรรไปกันเป็นความคิดที่ดีมากเลยหลายคนต้องคิดอย่างนั้นนะะต้องคิดอย่างนั้นต้องเวลาอายุยังสั้เราจะรู้ว่าอายุเราจะถึงร้อยปีไหม ใช่ไหมไม่ถึงอะ่ะไม่รู้กี่ปีเดียวมันที่นี่จากปี น, นี้ถึงวันตายแล้วไม่รู้ว่าเราสร้างกรรมอะไรมาเราจะตายตอนไหนเราไม่รู้แต่เรารู้แน่ๆว่าวันนี้มีจริงสําหรับชีวิตเราก็รีบทําสิ่งนี้ซะแล้วถึงแม้จะทําการทํางานอะไรก็อย่าทิ้งสิ่งนี้จนกระทั่งว่าตัวรู้ตัวนี้มันสั่งสมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, นชีวิตของเราก็จะเบาลงเบาลงรู้ได้ไงว่ามันเบาก็เพราะว่าเราสามารถเอาอะไรออกจากตรงนี้ได้เราดูจากวิธีเอาอะไรออกจางทนี้ได้ เอาความคิดออกจากจิตได้แต่ชีวิตที่มันหนักขึ้นแล้วหยิบใส่หยิบใส่แล้วแต่ไม่รู้วิธีเอาออกชีวิตมันก็หนักขึ้นนะดังนั้นเองเรื่องของการปฏิบัติในแง่ของจิตานุปัสสนาเนี่ยท่านก็เลยแบ่งให้ชัดนะว่าวันนี้เรามาดูว่าความพอใจเป็นต้นเหตุของราคารา ค, คำว่ามาถึงราคาที่เราว่าเมาวานมันผ่านอะไรพันนันทิใช่ไหม ผ่านนันทิราผ่านโสมนัสสวทนาผ่านขึ้นไปเป็นสุขเวทนาสุขเวทนาก็ให้เกิดความพอใจความพอใจให้เกิดเพลินนันทิเพลินทำให้เกิดชอบมากเป็นราคะชอบมากอย่างยึดเป็นของตัวเองเป็นกามราคะไปเรื่อยเลยที่ยาวไปอย่างที่ว่ามาเมื่อวานดังนั้นเมื่อเราลำดับเหตุผลต้นไปนีปั๊บเนี่ยเราก็มารู้ความสุขเวทนาทุกเวทนาที่เป็นปัจจุบันเสีย เมื่อตัดเหตุมันสุกบรทุกที่เกิดขึ้นตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ไปก่อเหตุถ้าเหตุนั้นไปก่อที่จิตปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุที่เกิดทางกายมันมีฟังก์ชันเดียวคือสุขเวธนาแต่พอไปฟังก์ชันที่สองเป็นโสมนัสเป็นนันธินันทิราคะกามฉันทะเป็นกามาตัะหาเป็นกามวุ ป, ปาทานอเป็นกบกกรรมโมฆะเป็นกามาสวะเป็นเรื่องของจิตหมดเลยฟังก์ชันเหล่านั้นเห็นไหม เพราะฉะนั้นการระวังจิตมันถึงยากการระวังที่กายนี่ยากไหมไม่ยากแต่เราเป็นไงไม่ทันไม่รู้เท่าทันมันเกิดที่กายที่แก้ง่ายมากเลยมันรู้สึกมันหนักมันก็เปลี่ย น, ม, น, ยนมันก็เบาเท่านั้นเองแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนความรู้เนื้อรู้ตัวมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับกายของเราเราก็จะไม่รู้เหมือนกันแล้วพอค่อยสู่จิตปั๊บเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ กระจายจนไม่รู้ว่าไปถึงไหนนั่นคือต่อพพต่อชาติไปเรื่อยๆนะดังนั้นในวันนี้ลองมาศึกษาว่าจะมีวิธีหยิบความคิดออกจากใจได้อย่างไรการที่จะรู้จักวิธีหยิบความคิดออกจากใจได้เราก็ต้องรู้ว่ามันมาอย่างไรความคิดที่มันเกิดขึ้นออกับใจมันมาอย่างไรถามก่อนรู้จักจะหยิบออกแต่ไม่รู้ที่มาเนี่ยหยิบทันหมไม่ทัน โอ้เรานัดกันตีสี่นี่มาตีหกนี่มันเกลวจะหมดเวลานั้วนะนั้นที่มาของมันความคิดผ่านเข้ามาทางไหนได้บ้างผ่านมาทางตาเห็นแล้วผ่านมาทางหูมาทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจผ่านมาทางทั้งหกทางเมื่อหกทางแล้วมันก็รวมไปกัความคิดทีนี้ถ้าหากว่าเรามีสติปั๊บเนี่ย เราจะระ ว, ว, วังตัวไหนทั้งหกทางเนี่ยมันถึงจะดักทางได้ถูกระวังตัวไหนระวังที่จิตแต่ถ้าเราไม่เห็นจิตเนเราจะระวังถูกไหมระวังไม่ถูกมีพระองค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลท่านเก่งมากเป็นอาจารย์กรรมฐานนะเราก็มีลูกศิลหายเยอะแต่ว่า ท่านรู้วิธีการแต่ท่านไม่รู้วิธีอาสวะออกจากจิตคือรู้วิธีการเรื่องจิตอย่างนู้นแต่ว่ามีอาสวะอยู่พุทธเจ้าก็ยังถือว่าเป็นคนว่างเปล่าอยู่แต่ใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะถือว่าเป็นคนเปล่าอยู่นั้นเวลาพระองค์นี้ไปพบพุทธเจ้าที่ไหพุทธเจ้าจะทักว่าตุโชแต่ชื่อของท่านคือโปทิละแต่ตุโชไปว่าว่างเปล่าท่านจะทักว่าตุโชโปทิละเอาท่ายังไงท่านตุโช ที่นี่พระองคนี้ไอ้เราเป็นอาจารย์แะดับนี้ไปเรียกเราดุจโฉได้ไงคือหมายควาะว่าคนไม่มีคนไม่มีในาอะไรพวกนั้นนะอคนไม่มีอะไรวันหนึ่งก็ขัดใจเอาละ่ะต่อไปนี้เราจะต้องไปทําดูพระพุทธเจ้าจัดนี้ก็คงจะมีอะไรแน่ก็เลยไปขอเรียนกับมาฐานอีกทีหนึง่งทีนี้ไปเรียนกับไปขอเรียนกับพระองค์งนั่นนี่เขาไม่สอนเพราะพระเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นใครจะกล้าสอนอาจารย์ใช่ไหม ในที่สุดไปเจอนี่น้อยถึงเป็นพระหรหันชื่อบันตีแต่สามเณรเป็นพระหรหันอ้าวอัน้น้อยสอนก็กมาถานผมด้วยอา้าวอาจารย์ก็รู้หมดแล้วนี่ไปสอนอะไรอีกแต่พผู้ทีเจ้าทัานบอกผมยังไม่รู้ว่าเงินอ า, อาจารย์จะเรียนจริงเออเรียนจริงอา้าวงั้นทําตามทุกอย่างที่ผู้บอกนะอา้าวบอกมาเลยว่าเง้นอาจารย์กลับไปแต่งตัวมาใหม่ไปนุ่งเสบงุงทรงคิวออนใส่สังขารมาอย่างดีเลยนะกลับมาไปแต่งตัวกลับมา มหาสมณีนที่นี้ใกล้ๆกุฏิสมณีมันมีสระน้ําใหญ่อยู่สมณีก็บอกอาจารย์เดินลงไปในสระเลยว่างั้น่ะพอเดินลงไปสระทําท่าจะลือผ้าออกใช่ไหมไม่ลื้่ปล่อยไว้งั้นแหละ ว, ว่างั้นก็เดินลงไปพอถึงขาพอรดอยังเนินยังไม่พอลงไปอีกว่างั้นลงไปถึงเอวพอได้ยังยังไม่พอห้ามันเปียกเออเปียกไปช่างม้นานองั้นนะลงไปถึงคอพอได้ยังลงไปถึงคางสมณีนเห็นว่าท่านยอมแล้ว ที่ถีมันน่เป็นไงความสาคัญมันหมายเป็นไงลถลงแล้วท่านบอกอาจารย์ขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ผมจะสอนกรรมฐานอาจารย์ฟังให้เดียวงันนะสมมติว่าจอมปลวกจอมหนึ่งอ่ะมันมีเฮียอยู่ตัวหนึ่งในจอมปลวกแต่มันมีรอบๆบมันมีหกรูรูที่มันจอกเนะี่ยอาจารย์จะจับเฮียตัวเนี้ยสัตว์ตัวเนี้ยจะมีวิธีจับอย่างไรที่ท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานอยู่แล้วจะไม่ยากอะไรใช่ไหม จะไปยากอะไรนี้ก็อุดที่เส้นห้าหูรูงั้นนะอุดเส้นห้ารูก็ดูรูที่ที่หกที่มันจะออกนี่แหละพอออกมาเ ม, มื่อไหร่ก็เอาไม้หอนเปาะมตรงนั้นเลยว่างั้นนะง่ายฉันใดก็ดีอาจารย์ระวังตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องไประวังมันยากไประวังที่ใจเลยทีเดียวเอาเมื่อไหร่ความคิดโผล่ขึ้นมาเลยแจ๊บรับสับมันโปะเลยโคสับมันเลยเอาอะไรไปสับเอาอะไรไปจับ เอาสติที่เราฝึกนี่แหละที่เรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตัวเนี้ยมันจะต้องมีมีกําลังที่จะเข้าไปจัดการกับความคิดพอท่านทําตามไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นวหันทําลไรอสวะได้นะแล้วกลับไปที่นี้พุทธเจ้ามาเรียกตุโฉปุถีละนะท่านเนี่ยปุณณะปุถีละว่าไงนะปุถีละเต็มแล้วเป็นคนเต็มแล้วว่าไงนะอันนี้ค um ือว um, sí. ิธีการเที่เไปจัดการวันนี้เพราะฉะนั้นเป็น ไปไปดูอาการของจิตเลยว่ามันเป็นยังไงจิตเขาจะแสดงอาการเบี่ยป่านทางไหนบ้างผ่านทางกายวายจาใช่ไมผ่านสองทางก็เรียกว่าไตรทวารมันออกมาสองประตูนี่แหละไม่ออกทางกายก็ออกทางวายจาดังนั้นมันออกมาทางไหนให้รู้ทางนั้นนะเช่นเวลาเราเคลื่อนไหวทางกายแสดงว่ายกมือเนี่ยมือยกได้ไหมตัม้งบทีมือมันยกเองได้ไหม ไม่ได้มือคนตายก็ยกไม่ได้แต่ที่มันยกได้นี่คืออ่าเพราะมีตัวจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นการดูกายก็คือดูจิตผลงพระเทียเรียกผูกคาสั้นๆว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกรรมเห็นปรมัทิตย์ดูอริยสัจเห็นนิพพานดูกายเห็นจิตเฝ้าดูกายจะเห็นจิตเพราะนั้นเราอยากจะดูจิตเราจึงไม่ยากก็ดูกายนี่เองพวกผมเห็นจิตคุณอย่างนี้ แสดงว่ายังไม่ถูกนะพอคนเราจะลักษณะจิตเป็นยังไงมันแสดงออกมาทางกายหมดนะลักษณะที่ใกล้เคียงที่สุดของจิตก็คือสายตาใช่ไหมเราถึงก็บอกว่าสายตาเป็นอะไรนะเป็นหน้าตาของดวงใจเพราะฉะนั้นเขาจะแสดงออกมาห้าทางในตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละกายก็ลักษณะจิตแสดงออกมาเป็นการเคลื่อนไหวใช่ไหมวาจาก็แสดงออกมาเป็นคําพูด หน้าตาก็แสดงออกมาจากเป็นอารมณ์อะไรต่างๆแล้วเขจะเห็นดังนั้นที่บอกว่าเออคนนี้รู้ใจคนอื่นมันจะไปยากอะไรเพราะรู้กายมันก็รู้ใจใช่ไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เรารู้กายจริงไหมเราดูกายจริงในเราเห็นอย่างนี้ไม่ใช่รู้ได้ง่ายเลยนะอย่างเราในมีความรู้สึก อ, อะไรเกิดขึ้นตลอดเวล า, ายังรู้ได้ไม่หมดเลยใช่ไหมวันหนึ่งพับตากี่ครั้งแนี่รู้ไหม วันหนึ่งพับตาขึ้นลงในพระกี่ครั้งเดีย๋ยว่าเป็นวันแค่ชั่วโมงก็ยากแล้วเ <c oughs> ออ น, นี้เนี่ยเราก็ยังรู้ได้ไม่หมดเลยใช่ไหมวันหนึ่งหายใจเข้าแค่ออกอกี่ครั้งเนี่ยเอามาคยคคำนวณ น, นะว่าหายใจเข้าหายใจออกกี่วินับเป็นวิ ก, ก่อนนะเราจะนับหน่วยใหญ่ต้องนับหน่วยเล็กให้เป็นเนี่ยก่อนหายใจเข้ามาคำนวณระวางหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนยาวอันไหนสั้น ทดสอบทดสอบเข้าสั้นออกยาบางคนว่าเข้ายาวออกสั้นไม่เหมือนกันเอามาก็ทบทวนดูหลายครั้งต่อหลายครั้งปรากฏว่าเข้าเนี่ยมันดึงไปนานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ออกมันสุดก็คือคือสุดใช่ไหมเข้าสั้นออกยาหรือเข้ายาออกสั้นเพรยาวมันไวอ่ะพับหมดแล้วใช่ไหมแต่เวลาเข้าเป็นไงถ้าให้ยใจอยู่ยาว บางคนเข้ายาบางคนออกยาบางคนเข้าสั้นบางคนออกสั้นไม่เหมือนกันแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยส่วนที่ยาวเนี่ยามากำหนดดูไม่เกินสามวิปกตินะแ้าส่วนที่สั้นไม่เกินสองวิแต่ถ้าจะยาวสั้นผิดปกติอันนี้อีกกรณีหนึ่งแต่อันนี้เอาถึงปกติของคนทั่วไปเข้า สามวิออกสองวิหรือเข้าออกสามวิเข้าสองวิอยู่แค่นั้นนับแลบได้ห้าวิที่ถ้าหากหายใจเข้าออกประมาณห้าวิถ้าเราหายใจหนึ่งนาทีเนะี่ยเราจะได้กี่ครั้งสิบสองครั้งนะสิบสองห้าหกสิบอ่าิืมได้แล้วหนึ่งาทีหายใจเข้าออกสิบสองครั้งหายชั่วโมงได้หรือยังได้แล้วเจริแล้วยี่สิบโคุณไวมากเลย หนึ่งชั่วโมงเราหายใจเข้าออถึงเกต120ครั้งแล้ววันหาได้ยังเนี่ยหาไปเรื่อยๆจนเป็นวันแล้วถ้าอายุของเราหาได้หมดเลยอันนี้มาชอบคิดไม่เหมือนเพื่อนเลยชอบหาวิธีเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ว่าผัดตาอาปากหายใจเหลียวซ้ายลขวาเนี่ยรู้ให้ชัดรู้ให้หมดแล้วต่อไปมันจะรู้ทั้งหมดรู้กายทะลุจิตรู้จิตทะลุกา ย, ากายทุกมิติ แล้วเราจะหายสงสัยเรื่องราวของชีวิตมันยากไ้ยจะรู้การรู้จิตของเราของตัวเองเนี่ยมันยากไหม ย, <laughs> ยังยากอยู่อะ่ะถ้าเราไม่พยายามมันจะยากเลยแต่ถ้าเราพยายามมันจะไม่ยากมันจะเรื่องง่ายหมดเพราะนั้นพุทธศาสนาพุทธเจาบอกเป็นศาสนาแห่งความพยายามนะจะมีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าแต่ความพยายามของมนุษย์นี่แหละทำอะไรได้หมดนะ ดังนั้นขอให้พยายามก็แล้วกันว่านี้ว่าความคิดเข้ามาสู่ใจอย่างไรแล้วก็สลัดมันออกอย่างไรพยายามแล้วก็สำรวจ ด, ดูว่าจิตของเรานี่มีวิตกวิจารณ์ขณะใดแล้วสามารถกําจัดวิตกวิจารณในช่วงนั้นได้ไหมแล้วความเบาสบายเกิดขึ้นไหมวิตกวิจาร์ปิติสุขใช่ไหมความเบาความสบายความสงบอันงับเนี่ยปิติสุขเกิดขึ้นแล้วแล้วจิตของเราก็นิ่งอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่นิ่งแบบไม่กระดีไม่ใช่เงี้ยนะ แต่จิตมันนิ่งแต่ร่างกายเราอาจจะทํานุนทํานี่แต่จิตอยู่กับกายตลอดการที่จิตตั้งอยู่ในกา ย, นยมันจะรับรู้ทั้งทุกอย่างของกายนี่เรียกว่าจิตนิ่งอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ไม่รู้อะไรลักษณะจิตนิ่งโดยที่ไม่รับรู้อะไรนั้นเป็นสมถะแต่จิตนิ่งแต่รับรู้ได้ทุกอย่างเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นเราเข้าฌานแบบวิปัสนาไม่ได้เข้าฌานแบบสมถะเพ EM. ราะฉะนั้นอย่าไปนั่งหลับการนิ่งหลับดับดิ่งเนี่ยไม่ไม่ใช่เราไม่เอาแบบนั้นมันช้า มันอ้อมเกินไปพวกเรนเจตัววิมุตไปทางนั้นแต่พวกปัญญาวิมุตต้องใช้วิธีแบบนี้คือนิ่งทั้งทั้งที่รู้อยู่แต่นิ่งอยู่ในในกายในในรูปในในามเท่านั้นนะอันนี้คือไล่เข้าฌานไปตามลาดับวันนี้เข้าฌานแข่งกันดูปิธิสุเการู้ดำรงจิตรู้ซื่อๆเอาไว้ได้ยาวเท่าไหร่คนนั้นก็ได้ฌานที่สี่แล้วล่วนะเล่นฌานดูนะวันนี้นะเรื่องของจิตตานุปัสสนา นันช่วงเช้านี้เราจะออกไปห่อนคายเดินชุคมสัก5้านาทีก่อ น, นอาารับประารก็ข อ, อนูนนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องจนสามารถเห็นเส้นทางของมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ